คือสัญญานี้เป็นธรรมะที่เกิดร่วมกับกุศลก็ได้เกิดร่วมกับอกุศลก็ได้เนี่ยนเพราะการกล่าวถ้าถ้ากลุ่มอัญญสัมนาเนี่ยนะบางทีก็ไม่ค่อยแยกให้เห็นมากนะักแต่ว่าจะไปแยกอีกครั้งเมื่ออัญญสัมนาเนี่ยเกิดร่วมกับกุศลหรืออกุศลเช่นว่าถ้าอัญญสมนาไปเกิดร่วมกั บ, กบนิวร์เนี่ยนะ ก็จะแสดงเหตุของนิวร์ถ้าอัญญสัมมนาเหล่านี้ไปเกิดร่วมกับกุศลก็จะหรือโพชฌงก็จะแสดงปัจจัยตามสมควรนั้นนั้นนะอันนี้คนอื่นเข้าใจหรือเปล่าไม่ทราบนะอธิบายประโยคเมื่อกี้เข้าใจไหมคุณนรีอ๋อไม่เข้าใจนะพวกการต้องอธิบายเพิ่ม ค, คือเราเรียนในสัตธฐานสูตรนี่นะฮะเราเห็นว่าเราเอารูปขันเนี่ยนะฮะมาทำเจดประการถูกไหม ถ้าขอโทษเอาขันห้ามาทำนะเริ่มต้งแต่เริ่มตั้งแต่รูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมาว่ารูปเป็นชนไหนใช่ไหมครับแล้วรูปเกิดยังไงรูปดับยังไงปฏิปทาถึงการดับของรูปเป็นยังไงอัสาทธอาทินวะของรูปเป็นยังไงเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ก็จะบอกว่าสัญญาเป็นชนไหนเพราะสัญญาเป็นหนึ่งในหขันใช่ไหมสัญญาเป็นชนไหนพองค์ก็บอกว่าสัญญา คือมี6ได้การูปสัญญาอาจะรูปสัญญาคันธัสัญญาอะไรอ่ะคันธัสัญญารัสัญญานีแล้วก็ผัวทัพสัญญาธรรมสัญญา6อย่างนั่นน่ะองบอกว่าเออสัญญามันมี6อย่างนี้นะแล้วก็สัญญามันเกิดได้ยังไงสัญญาเกิดเพราะผัสสะเกิดสัญญาจึงเกิดท่านบอกอย่างนี้ใช่มหมยความว่าเราก็ต้องรู้เลยไปว่าเมื่อตันหาเกิดสัญญาจึงเกิด เมื่อกรรมเกิดสัญญาจึงเกิดเมื่ อ, อวิชาเกิดสัญญาจึงเกิดตอนนี้ <c oughs> เราจะเห็นว่าปัใจจัยให้เกิดสัญญาเนี่ยนะหนึ่งผัสสะเราเข้าใจแล้วใช่ไหมเพราะเราเรียนในจัตติฐานะสูตรเนี่ยหนึ่งสันผัสสะเกิดสัญญาจึงเกิดผัสสะเกิดก็หมายความว่าเพราะอารมณ์กับทวารมาประชุมกันเป็นวิญญาณใช่ไหมฮะเมื่อสามอย่างนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่เห็นชัดเลยว่าเพราะว่าเห็นอย่างนั้นเพราะได้ยินอย่างนั้น จึงได้มีสัญญาอย่างนั้นนี้เข้าใจใช่ไหมฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะซึ่ง <c oughs> มีปัจจัยที่สําคัญอีกอันซึ่งไม่ได้กล่าวถึงก็คือมากว่าอุปนิสัยของคนนั้นเนี่ยเป็นคนขี้โกรธหรือว่าเป็นคนขี้ที่เป็นเป็นโลภะหรือจะเป็นคนอะไรก็แล้วแต่นะกลับไม่เอามาไม่เอามากล่าวเพราะว่าจิตดวงก่อนๆ น, นั้นแหะที่เคยสะสมมาว่าเป็นเจ้าโทสะอย่างนี้เนี่ยนะเพราะถ้าสัญญามันก็จะ โดยมากเมื่อรับอารมณ์ดีไม่ดีอะไรเนี่ยมันจะตีเป๋ไปในทางเป็นโทสะไปหมดเนี่ยเป็นปฏิฆาสัญญาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือคือทาไมาจึงไม่กล่าวก็ไม่ใช่ละนั่นแหละก็เดี๋ยวก็จะแยกกล่าวให้เห็นเลยคือถ้าสัญญานี่เกิดจากอะไรเกิดจากภาษานะเช่นสัญญาถ้าเฉพาะหน้าก็ภาษาก่อนใช เช่นพันสัญญาที่เกิดจากการเห็นการได้ยินเนี่ยนะก็ต้องทวารทวารอารมณ์เนี่ยนะวิญญาณเกิดภาษาก็เกิดสัญญาก็เกิดทีนี้สัญญาอันนี้ก็ต้องมาแบ่งว่ากุศลสัญญาหรืออกุศลสัญญาที่ที่เกิดนะอย่างเช่นตอนนี้เราเว้นชาติวิบากเสถ้าเป็นอกุศลสัญญาก็มาจากอโยนิโสมนสิการ ถ้าเป็นกุศลสัญญาก็มาจากโยนิโสมนัสิกาเนี่ยนะอันนี้ก็ใกล้ๆก่อนแต่ถ้าไกลหน่อยว่าสัญส ญ, ญาอันเนี้เกิดจากอะไรเกิดจากพัสสะเช่นอารมณ์ที่เราคิดนะเราคิดถึงอารมณ์เนี่ยมันคืออะไรบางทีนะอารมณ์เนี่ยคือสิ่งเหล่านี้ยกมาอยู่ในฐานะอารมณ์เนี่ยนะ ทั้งหมดนี้เลยนะวัตถุวิญญาณอารมณ์นะเช่นแล้วแต่ว่าไอความคิดอันนี้มันคิดเรื่องอะไรอยู่ตัววิญญาณเนี่ยนะกำลังคิดอะไรอยู่เช่นว่าคิดถึงที่ที่เราเคยไปเที่ยวหรือที่ที่ทํางานนะไอที่ตรงนั้นมันพ้นวัตถุอารมณ์วิญญาณไหมก็ไม่พ้นก็ต้องยกอันใดอันหนึ่งแหละมาเป็นอารมณ์ในในตอนนี้นะถ้าเราจะหน่วงถ้าเราจะหน่วงเพราะในหนึ่งเขาบอกว่าสัญญาต่างเพราะาธาตุเหล่านี้ต่างกัน วัตถุเหล่านี้บางทีเขาเรียกว่าปัญจธาตุปัญจธาตุคืออะไรก็คือธาตุคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างหนึ่งหรือธาตุที่เป็นอารมณ์นะเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโพธาพุเป็นอย่างหนึ่งหรือกลุ่มนี้เป็นวิญญาณธาตุนี้นะข้างบนเป็นวิญญาณธาตุข้างล่างเป็นธรรมธาตุนันะก็คือนึกถึงธาตุหรือธาตุเหล่านี้นี่แหละเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อสัญญาอันนี้ จะมีสูตรในในในธาตุสัญญุตจะแสดงไว้ว่าความต่างแห่งสัญญาเกิดจากความต่างแห่งธาตุเนี่ยนะความต่างเอ่อความต่างแห่งสัญญาเกิดจากความต่างแห่งภาษาภาษะนี่ความต่างแห่งภาษาเกิดจากความต่างแห่งธาตุธาตุเพราะธาตุเหล่านี้สำคัญแม้กระทั่งการเห็นนะอย่างชีวิตเราขณะนี้นะว่าโดยรวมๆก็ทวารอารมณ์ความคิดก็เกิดขึ้น แล้วความคิดอันนี้จะเป็นอะไรต่อไปก็ระบบเดียวกันนะไอความสืบเนื่องอย่างนี้แหละเรียกว่านะอันนี้สืบชีวิตในแง่วัตถุมันจะสืบเนื่องกันลักษณะนี้อันนี้พูดในชาติเดียวนะในแง่ของวิญญาณก็จะสืบเนื่องกันอย่างนี้แต่อารมณ์นี่ไม่โลกของอารมณ์นี่ไม่สืบเนื่องเลยโลกของอารมณ์ไม่ไมสืบเนื่องกัน บางอย่างก็เสอโดยรวมๆแล้วจะไม่สืบเนื่องกันเพราะแต่ว่าตัวอารมณ์เขาก็สืบเนื่องของเข้าไปอ่ะนะเช่นอารมณ์มานั้นคือบ้านโลกของบ้านมันก็สืบเนื่องของบ้านไปอย่างนั้นเลยนะหรือที่ทํางานก็สืบเนื่องกันอย่างนี้แต่ว่าอยู่ๆไอ้ความคิดอันนี้เราก็เกิดขึ้นจะคิดถึงอะไรอ่ะนะก็น้อมไป แต่ที่เรามาน้อมไปเนี่ยตัวสําคัญที่ทําให้สัญญาเนี่ยน้อมไปอย่างนี้คืออนุภาพที่สําคัญสําคัญคือธาตุธาตุอันนั้นคืออะไรที่ที่ทำให้มานึกเป็นกุศลและอกุศลเนี่ยนะธาตุอันนั้นก็คื อ, อ, อโทสะมาเข้าธาตุคือโลภะธาตุคือโทสะ หรือาธาตุคืออโลภะละาธาตุคืออโทสะเนี่ยนะพวกาธาตุเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวที่สําคัญหรืออุปนิสัยที่สําคัญต่อขณะ น, นะถ้าเราพูดจะยุบพูดเัจจยุ บ, บันก็ควรจะเอาตรงเนี้ยนะเอาผลนะเช่นผลขณะนี้ก็เกิดจากาธาตุเหล่านั้ น, นันก็เป็นอุปนิสัยแก่ชีวิตมาอย่างนี้เลยแล้วก็จัดําเนินไปอย่างนี้นี่แหละ เรียกว่าในในในสัตธารมทสูตรนี่ก็แสดงไว้เฉพาะหัวข้อใหญ่ๆใช่พูดถึงาการทำปริญญาก็จะบ่งแค่หัวข้อเท่านั้นใช่เจนัอนอันนั้นถ้าเมื่อเราเข้าใจแบบนี้นะเช่นในโลกของวัตถุคือในสายทวาร น, นะกับโลกของอารมณ์อันนั้นก็กลุ่มข้างบนก็เป็น สายภายในนะตาหูจมูกลิ้นกายข้างล่างก็อารมณ์รูปเสียงเปลิ่นรสโพธิภพตามกาลสถานที่ต่างๆทั้งหมดนี้เป็นรูปอันนี้คือรูปก่อนนะถ้าเอาแบบสัตตฐานสตรแล้วความเกิดของรูปเหล่านี้เกิดจากอะไรก็ต้องเอามาไขาครวนทั้งหมดนี่คือความเกิดของรูปถ้าจะดับรูปเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยดับได้ยังไงอะไรแล้วข้อปฏิบัติใดที่จะทาให้ดับรูปเหล่านี้ได้ รูปเหล่านี้มีอัศธาะยังไงรูปเหล่านี้มีโทษยังไงแล้วจะทายถอนสลัดจากรรูปเหล่านี้ทั้งหมดได้ยังไงเนี่ยนะอันนั้นก็คือฐานะที่หนึ่งก่อนเจฐานะแรกในรูปนะสองท่าเวทนาล่ะเมื่อมีวัตถุมีอารมณ์อารมณ์เนี่ยเป็นตัวกำหนดให้ให้เวทนาเป็นสุขโสมนัสหรือว่าอารมณ์ขณะนี้เป็นอ น, นะอ น, นะที่ผ่านมานะอารมณ์ก็ก่อให้เกิดสุขโสมนัสและอุเบขา ขณะนี้ก็เหมือนกันอารมณ์ก็เป็นตัวที่ก่อให้เกิดสุคโสมนัสและอุเบกขาอนาคตต่อไปอารมณ์ก็จะทําให้เกิดสุคโสมนัสและอุเบกขาเพราะไอเวทนาเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้นะตามทวารต่างๆก็เลยเรียกเวทนา6แล้วเวทนาเหล่านี้เกิดจากผัสสนี่คือความเกิดของเวทนาถ้าจะดับเวทนาต้องดับที่ผัสสนะี่ถ้าผัสดับเวทนาก็ดับ แต่ไม่ใช่เน้นเราเราไม่ต้องการเน้นดับแค่แค่ไม่เห็นใช่ไหมชั่วคราวไหมไม่ต้องการดับแค่นั้นใช่หมก็สมมติถ้าเรามองเวทนาเป็นมะเร็งนะเราต้องการจะดับแค่ชั่วคราวใช่ไหมแต่อันที่จริงชั่วคราวก็มีผลกันนะครับเพราะว่าอันที่จริงถ้าเราเปลี่ยนอารมณ์ทัศน์ภาษมันก็คุอันแล้วใช่ไหมใช่แต่แต่ถ้ากล่าวแบบนั้นนะทำมีกะถาจะต้องเปลี่ยนเรื่อง เปลี่ยนหัวข้อว่าทํายังไงอกุศลมันจะได้ไม่เกิดนั่นนะต้องตั้งหัวข้ออันนั้นแต่นี้หัวข้ออริยสัจจะต้องแบบพูดแบบดับท้าวนอย่างเดียวนะทำยังไงจะบบอบมันนี้มันหมดไปเลยนะท่านทราบนะทีนี้ข้อปฏิบัติใดที่จะทําให้ดับเวทนาอันนั้นทั้งหมดได้แะก็ข้อปฏิบัติก็คืออนุปัสนาเจตในเวทนาเป็นต้นนะนะหรือรู้เหตุเกิดวันนี้ เวทนานี้ความเกิดเวทนานี้ความดับเวทนานี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาเรื่องนี้อา ส, สาธ่ของเวทนานี้โทษของเวทนานี้การถ่ายถอนเวทนาอันนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะลักษณะเดียวกันทีนี้เมื่อพิจารณาโดยโดยฐานะอย่างที่กล่าวไปก็มาใคร่ครวญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอายตนะนะใช่ไหมถ้าถ้ายังสัตัดฐานสูตรอยู่นะทั้งหมดที่สืบเนื่องคืออายตนะภายในอายตนะภาย นอกความคิดก็เกิดขึ้น น, นะก็อายตนะภายในอนายตนะภายนอกความคิดเกิดขึ้นอายตนะภายในอายตนะภายนอกความคิดเกิดขึ้นความคิดก็ไหลสืบเนื่องกันไปบางอย่างในฐานะเหตุบางอย่างในฐานะ เ, เป็นเป็นผลก็มีกรรมสกตาแต่ทั้งหมดนั้นว่างเปล่าจากจากสัตว์จากบุคคลแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่เป็นความจริงที่เที่ยงไหมไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์เป็นความจริงที่เป็น อนัตตานั่นเองเพราะในอาาปัญจวัคคียสูตรหรืออนัตตลักษณสูตรจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตานะถ้ามันเป็นอนัตตาก็มันต้องเป็นอย่างที่มันต้องอย่างที่ต้องการทั้งหมดใช่ไหมมันต้องไม่อาพาตต้องดูแลควบคุมได้ทั้งหมดทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณต้องคุมได้หมดมันต้องไม่อาพาตมันต้องไม่เป็นอื่นมันต้องเป็นอย่างที่ต้องการทั้งหมดนะนะถ้าจะเป็นอัตตาจริง แต่นี่มันเป็นอย่างนั้นไม่รูปมันไม่ได้เป็นอย่างที่ที่เราอยากเป็นอ่ะนะมันเป็นอย่างที่มันอยากเป็นอ่ะนะหรือมันเป็นไปตามปัจจัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นไปตามปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้จึงเป็นอนัตตาเพราะว่าควบคุมมันจริงๆไม่ได้อ่นะแล้วสิ่งที่เป็นอนัตเพราะฉะนั้นเธอเพึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้เลย เนี่ยนะมันเป็นไปตามปัจจัยของมันอันนัเพียงแต่ว่าบางท่านก็เรียนรู้วิธีบริหารควบคุมปัจจัยแต่ว่าในที่สุด <Yeah. S 1> ก, ก็ดูแลคุมมันไม่ได้จริงๆเอานะบอกแม่ฉันเก่งมากเก่งเรื่องรูปงั้นขอร้องให้คุณควบดูแลมันนะตอนอายุร้อยยี่บเอาไหมบอกในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องรูปนะดูแลรูปของคุณเนี่ยให้มันถึงสักร้อยห้ก็แล้วกัน มอกก็ไม่ได้ยกนั้นแหละคำว่าอารมณ์ที่ไม่ไมม่ดับเนี่ยผมฟังอารมณ์อะไรไม่ดับก็ข้างทางทวารไม่ดับเป็นแน่ปัญญาแต่ว่าอารมณ์อารมณ์ไม่ดับแต่ว่ามาอธิบายข้างล่างว่าอารมณ์อารมณ์ดับในลักษณะที่เป็นความเสื่อมแน่ๆนบ้าง อ๋อความเกี่ยวเนื่องกันอธิบายในแง่ความเกี่ยวเนื่องกันว่าอตัวทวารเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันชีวิตของเรานะทวารเกี่ยวเนื่องวิญญาณเกี่ยวเนื่องแต่อารมณ์ไม่เกี่ยวเนื่องกันเพราะสถานที่ที่หนึ่งอย่างหนึ่งอีกที่หนึ่งก็อีกแต่ละแห่งที่ไปเนี่ยแห่งก็แห่งหมดแต่ทวารกับวัตถุภายในเนี่ยเอ่ทวารกับวิญญาณเนี่ยยังหมายคําว่าไปไหนผมก็ไปนะแต่สถานที่ไปมันเปลี่ยนไปเรื่อยลักษณะนั้นนะจะอธิบายเท่านั้นเอ อันที่จริงสูตรนี้มีความสำคัญมากนะแล้วก็ถ้าท่านจะเรียนโครงสร้างให้ให้เข้าใจนะท่านท่านควรให้ความสนใจเป็นพิเศษทีเดียวก่อนอื่นคือท่องให้ก่อนอก่อนต้องท่องนะจริงผมพูดจริงนะท่องต้องต้องนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นนะศั้วสับเหล่านี้นะแม่ว่าอาสาธาอาตีนะวะอะไรเนี่ย เกิดจากผัสสะเวท น, ะน า, กกรราเกิดเกิดผัสสะเกิดจากปัญหาเกิดจากการเกิดจากวิชาพวกนี้คำคำเหล่านี้เราเจอเจอเป็นประจําเลยเพราะฉะนั้นท่องไวเถอะสูตรเนี้ยเอาไปใช้ได้อีกเยอะแยะเลยกอ่อนหนูต้องท่องให้ได้ถ้าท่องได้เราจะตีไปสูตรอื่นๆได้อีกเยอะๆเลยที่กรุงเทพเขาก็เอาจริงเอาจังนะพวกเราต้องสู้เขาวันเลยนะแสดงว่าอุปนิสัยกรุงเทพสําคัญแรงมากเลยนะ นะ่ยนะมีคู่แข่งอ น, นะนะเออแต่แต่เขาก็ก็สังเกตจากหลายๆคนอ่นนะแล้วก็ตื่นตัวกันดี <What? S 1> แต่ก็ระยะทางพิสูจน์อะไร <What? S 1> พิสูจน์รถ น, นะว่ารถมันแรงจริงหรือเปล่านะแล้วก็มันเป็นสูตรที่ไม่ค่อยยาวด้วยแล้วก็ทำความเข้าใจก็ได้ เน็ตต่ออาพาทสูตรอีกนิดว่าดูก่อนนะว่าโดยสรุปก่อนนะว่าขันห้านี่เป็นอนัตตาเพราะว่าขันห้านี่เป็นอนัตตาเนี่ยอขอไปถ้าขันห้าไม่เป็นอนัตตาเนี่ยนะหรือถ้าขันห้ามันเป็นอัตตามันก็จะเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นนะมันจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและก็จะได้ตามความปรารถนาในขันห้าว่าว่า ขอขันห้าของเราเนี่ยจงเป็นอย่างนี้เธออย่าเป็นอย่างอื่นเลยแต่ก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าขันห้าทั้งหมดนี้เป็นอนัตตาเนี่ยนะคำว่าอาพาธนี้เป็นศัพท์ที่ใช้แทนคําว่าทุกข์นะคําว่าทุกข์นะ น, นี้พระองค์ก็ทวนถามย้ำว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนัยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะไม่เที่ยงพระเจา้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรานีนะนะก็ควรไหมที่จะตามสําคัญหรือเพลิดเพลินในขันห้าด้วยอํานาจตันหามานะและทิฏฐิว่านี่ของเรานะนี่เป็นเรานะนี้เป็นอัตตาของเราบอกไม่ควรพระเจ้าค้านะี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในย่าเดียวกัน ดูความพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุนั่นแหละเพราะเหตุนั้นคือเหตุที่ว่าขันห้า ม, มันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาัต тан าั่นแหละว่ากันเถอะเพราะนั้นขันห้ามจะอ ด, ดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา เพราะฉะนั้นต้องไม่เพลิดเพลินหรือไม่ยึดถือไม่ยึดติดขันท่ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยเหมือนกันเนีนย่ยนะอริยสาวกผู้ได้สะดับแล้วเห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแมในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแมในวิญญาณเนี่ยนะ เมื่อเบอร์นายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็ย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารจบแล้วกิยที่กลัวเสร็จแล้วกติเอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสอนัตตลักขณะสูตรนี้จบลงแล้วภิกษุเบญจวัคคีหรือ5้าพวกะนะภิกษุห้ารูปอะต่างก็มีใจยินดี ชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังตรัสวายากรณภาสิทธินี้อยู่ภิกษุปัญจวัคคีมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นเนี่ยนะบรรลุหมดเลยเนี่ยนะเป็นา่ารหัรหมดเลยก็ ตอนแรกพระพุทธเจ้าสอนธรรมจักกับประวัตนะสูตรพระโกนทัญญาบรรลุเป็นพระโสดาบันหลังอันนั้นก็มีอยู่ห้าท่านใช่ไหมพระโกนทัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามาอัศเชินี่นะหลังจากนั้นพระองค์ก็จะสอนปกินนากะคถ า, าบรรลุเป็นพระโสดาบันวันละอง์วันละองวันละองค์ครบถึงวันห้าค่ำเนี่ยนะคือบรรลุหมดถึงวันห้าค่ำพระองค์ก็สแสดงอนัตตลักขณะสูตรเนีย่ยนะวันแรงห้าค่ำนั่นเอง พอตัดอนัตตลักษณะสูตรก็บรุเป็นพระอรหันต์คือสูตรนี้แสดงกับผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลอยู่แล้ว ที่อื่นเนเท่าที่พบมีสองแห่งเนี่ยคือมีในขันทวารวะกับมีในวินัยในวินัยปิฎกนะนัยปิฎกมหาคันธกะนี่ม่เคยอยากจะท่องมันเลยไม่สใจเลยสบรยใจขอรธิษฐานกับพระปฏิปทาเ่าถึงสมบัติองออยู่ในระหว่างความดับ ปฏิอาสาพระปฏิณวะและนิสระน์ที่แสดงว่าอย่างนี้แสดงว่าจ <c oughs> ิตในดวงเดียวกันพอถึงพิจารณาแล้วก็ถึงปฏิกิริยาสุดท้ายหรือ <c oughs> หรือว่าทำตามลำดับเป็นประธานขบัติฐานขึ้นตามขบัติฐานจนถึงเอ่าสระขบะับเป็นสูงเชีย คือคือการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้นะถ้าพูดแบบคนในยุคนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะของอาหารนะคือพ่อพวกพ่ อ, พ อ, พอครัวหรือที่ไม่ค่อยฉลาดนะเครื่องปรุงมันเหยาะไปเรื่อยนะเติมไปเรื่อยๆที่ ท, ที่มันไม่ใช่ว่าใส่ตามสูตรและเต็มครบเครื่องปรุงกินได้เลยแบบมาม่าอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะคือจะต้องแบบค่อยๆใส่เพิ่มนี้เติมนั่นหน่อยปรุงอย่างนี้เรื่อยเพราะจริงๆแล้วมักเป็นสังขารธรรม เพราะฉะนั้นไอการเจริญอันนี้มันจะต้องปรุงแต่งปรุงแต่งนี่มากจริงๆก็จึงเรียกว่าเจริญอินทรีห้าก็ได้เห็นไหมเจริญศรัทธาพอศรัทธามากเจริญปัญญาพอเจริญปัญญาศรัทธามันลดลงอีกไปเจริญศรัทธาทําไปทํามาฟุ้งเอาไปเจริญสมาธิทําไปอึดไปเจริญความเพียรเนี่ยนะก็สลับพระเคล้ากันไปอย่างเงี้ยจนกว่าจะอินทรีห้าเนี่ยสม่ําเสมอกันเจริญฝันเห็นไหมฮะ เราจึงมากำหนดเป็นสูตรตายตัวไม่ได้แต่ถ้าตามอย่างนี้นะอย่างที่ว่าลำดับนี่มีอยู่ห้าอย่างด้วยกันเคยได้ยินนะลำดับการเกิดเช่นนะการเกิดในคันนะเด็กเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่ในคันขึ้นมาเนี่ยเติบโตขึ้นมายัางไงนี่เรียกว่าลำดับการเกิดอย่างที่สองก็ลำดับของการแสดงเนี่ยนะอย่างแสดงธรรมเนี่ยนะจะถ้าเรื่องขันต้องขึ้นด้วยรูปประคัน ถ้าขึ้น ถ, ถ้าจะแสดงเรื่องขันนะผู้แสดงต้องขึ้นด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าจะแสดงโพธิปักก็ต้องขึ้นด้วย ส, สติปฐานเป็นต้น น, นะถ้าจะแสดงอินทรีย์าก็แสดงขึ้นต้นด้วยศรัทธาถ้าจะแสดงมาติกาก็ขึ้นต้นด้วยกุศลอกุศลอัพยากตะลักษณะเนะี่ยอันนี้เรียกว่าลำดับการแสดงต่อไปก็คือลำดับการล ะ, ะลำดับการปฏิบัติถ้าลำดับการปฏิบัติต้องเป็นไปตามวิสุทธิ อันนี้กุศลนะจะเจริญกว่ากุศลล่างๆรองรับกุศลชั้นสูงๆเหมือนการก่อสร้างที่ว่าสร้างชั้นล่างๆเนี่ยนะเป็นฐานให้ชั้นบนบนต่อไปอันนั้นอันนั้นเป็นลำดับของการปฏิบัติจะต้องเป็นลำดับตามวิสุทธิเจนะ็นั่นะทีนี้ต่อไปก็ลำดับการละกิเลสถ้าละกิเลสก็ต้องละตามลำดับมรคนะนะก็ต้องว่าไปตามลำดับมรคนั้นๆไปแต่การเจริญธาตุถ้ากล่าวในแง่สัมปยุตรธรรมเนะนะี่ย มันเกิดการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะแม้แต่เจริญศีลก็ตามเนี่ยนะเรบอกว่าไม่ใช่ตัววีรตีสามจะหล่อเลี้ยงให้ศีลอยู่ได้ใช่ไหมต้องไปเจริญศรัทธาทําไมเราต้องมาปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราก็ไปเจริญพุทธคุณให้มากขึ้นก็จะเห็นคุณนะพระองค์เนี่ยสอนเรื่องศีลเนี่ยดีนะมีประโยชน์เนี่ยนะก็อาศัยศรัทธาในพระองค์ก่อนแล้วทำตามเนี่นะเพราะว่าถ้าเราไปเอาเหตุผลมากบอกวินัยเนี่ยเป็นพุทธวิสยัยยังไงนะ อันนั้นเป็นเป็นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าผู้ไม่ไม่สามารถที่จะบัญญัติได้หรือจะมีความเข้าใจอย่างทะลุปรุปรงเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติหรือรักษาตามพระวินยัยก็คือมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าทีนี้ถามว่าถ้าไม่ทําตามอะไรเกิดขึ้นวิปัิสานก็เกิดถ้าวิปัิสานเกิดอะไรเกิดขึ้นอกุศลทั้งหลายก็ตามมาอีกบานแต่ถ้าปฏิบัติตามก็มีเหตุผลไปอย่างนี้แต่ว่าในสิ่งนั้นๆเนี่ย เหมือนกับว่าเราเนี่ยเด็กเกินไปที่จะไปถามเหตุผลนะนะอย่างก็ว่าเด็กอนุบาลเนี่ยแม่ทำไ ม, ยงไง อ, ำไมำอย่างนั้นพ่อทำไมทาอย่างนี้พ่อทำไมต้องขับรถอย่างนี้ทำไมขับสวนไม่ได้หรือถนนอะไรเงี้ยนะก็บางอย่างมันก็เกินกว่าที่จะมาอธิบายให้ให้ตอนแรกๆของเราก็เหมือนกันนะถ้าในฐานะพระพุทธเจ้ามองเรานะัทองมองเราใสโอ้โหลราอ่อนมากเลยปวกเปียกเตาะแตะเต็มทีเลยนะนะเนีเ่ <laughs> ก็คขา่าคนฉลาดก็อย่างนี้แหละเขางั้น ถ้ากล่าวว่าความจริงนะนะขันห้าเท่านั้นเกิดขันห้าเท่านั้นดับเอ้เมื่อวานได้พูดหรือค้งไหเนี่ยอ่าไม่ไม่กำลังนึกถึงว่าเอ้ประโยคนี้ได้ใช้จริงหรือเปล่าเมื่อวานเท่านั้นเองว่าใช้คําว่าขันห้าเท่านั้นเกิดขึ้นขันห้าเท่านั้นตั้งอยู่ขันห้าเท่านั้นดับเนี่ยนะเพราะว่าสำนวนนี้ไม่ไม่คุ้นเลยว่าเมื่อวานได้พูดไป เนะี่ที่ระลึกได้นะเ น, นีเ่ย น, น, น, น, น, น, นะความเกิดของขันใช่ไหมอันนะั้นเออถ้าอย่างนั้นพูดก็คือตามเนี่ยตามสูตรที่ทกล่าวไปเนี่ยเป็นต้นเองนะแต่ถ้าใช้คําว่าอความขันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอ่ะนะอย่าง ท, ทั่วไปท่านจะจะเพียนมาจากวาชิราภิสุณีที่กล่าวตอบมาอ่ะนะ ว่าความจริงอะทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนะเอ่อเป็ น, เ ป, นเป็นอยู่ในสังยุตติกายเนี่ยนะสังยุตติกายสขาทวักเนี่ยนะสขาทวักวชิระอ่านะชื่อวชิรสูตรเงี้ยนะที่พระองค์ตรัสกับพิกษุณีเอ่อไม่ใช่ภิกษุณีเนี่ยพูดกับมารเนี่ยนะคือมารเนี่ยเขาเขามาชวนศึกว่างั้นเถอะแล้วนางก็เออเขาก็ชวนเป็นแบบ ฟูหารหน่อยนะแบบมีคำพูดว่าเป็นสัตว์เป็นอะไรเนี่ยนางก็แก้ไปว่าความจริงก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นแหละที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นแหละดับไปเนี่ยนะนอกจากนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป อ, ไ อ, อ่ะนไอยู่สองเล่มไม่ย4ิบสี่ก็ยีิบห้าในมารสังยุทธนะ์เนี่ยดูมารสังยุ อ, อืม ผู้ถอดพจน์นี้มีคําคลักษณะนี้มีหลายแห่งแต่ที่หก็คือมีในมหาปริิญพานสูตรก็มีนะที่อื่นก็มีแต่ปรับปลายมหาปริญพานสูตร์ไทยๆนะหลังจากที่พระองค์ดับขันปริญพานี้มีผู้อุทานอย่างนี้อยู่แต่ก็คําอธิบายไม่มีมากนะไม่แท่ไม่ไมค่อยมีคําอธิบาย เพราะว่าท่านอาธิบายที่อื่นไว้เ ย, ยอะแยะแล้วคือเพราะบางเรื่องนี้ในอันตกถาท่านจะท่านจะเรียบเรียงตามความสงสัยของคนในยุคนั้นว่าเขาสงสัยอะไรกันเป็นส่วนมาก น, นะเพราะว่าโดยทั่วไปบางบางท่านก็ปาราบว่าสิทธิ์ของท่านเนี่ยขอร้องให้ท่านเรียบเรียงขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็จะรู้ว่าปัญหาในยุคนั้นอ่ะมันมีอะไรบ้างท่านก็แก้เอาไว้นะ มันมาปัญหาในยุคนี้ท่านไม่ท่านไม่นึกว่าเราจะไม่รู้ในเรื่องนั้นอ่ะบางทีมันเป็นลักษณะก็เพืมันปัญหาเรื่องยุคเรื่องสมัยนี้ก็สำคัญเพราะว่าของสมัยนั้นการเรียนของเขากับการเรียนของเราเนี่ยแตกต่างกันเยอะอย่างของเขาสมัยโบราณเขาไม่มีวิชาการทางโลกมากนะถ้าเข้ามาเรียนเขาก็จะเรียนอันเนี้ยวยากรเลย ถือว่าขึ้นต้นก่อนเนี่ยกัจยนะเลยอย่างเงี้ยนะโมคขลานะสัทธนีติอะไรเขาจะเรียนคำภีพวกพวกนั้นมาเลยฉันหลายๆเรื่องความรู้ชั้นพื้นฐานเขาค่อนข้างดีเนี่ยนะอันนี้ของเราก็มาศึกษาในฐานะผู้มีศรัทธาว่าไอ้คำสอนพระพุทธเจ้านี้ดีมากทํำยังไงเราจะได้ศึกษาคําสอนไปเลยเนี่ยนะแล้วก็เราก็มาจับที่เนื้อหาคําสอนไปแล้วก็ไ อ, ไอความเข้าใจในหลายๆส่วนก็ต้องค่อยๆหาเพิ่มอย่างนี้แหละ